รู้ทางเห็นจิตผ่านการสื่อสารในชีวิตประจำวันแม้จะพูดจาสื่อสารกันด้วยปากคำแท้จริงแล้วคุณก็อาศัยจิตเป็นพาหะในการสื่อสารอยู่จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเคยสงสัยไหมว่าบางทีคนสองคนพูดเหมือนกันแต่ทำไมคุณฟังแล้วรู้สึกต่างกันความจริงก็คือ การอยู่ต่อหน้าใครคนหนึ่งจิตของคุณถูกปรุงแต่งไปแล้วแบบหนึ่งโดยหน้าตาน้ำเสียงวิธีพูดพลังในตัวตลอดจนความน่าสนใจทางบุคลิกทั้งหมดของเขาคนนั้นตัวตนของใครบางคนอ่อนแอเกินกว่าจะกระตุ้นให้คุณเกิดความสนใจเข้มแข็งพอที่จะฟังชัดๆตั้งแต่คำแรกจนคาสุดท้าย ขณะที่ตัวตนของใครอีกคนอาจก้าวร้าวเกินกว่าจะทำให้คุณเกิดความรู้สึกดีๆพอที่จะรับฟังเนื้อความโดยปราศจากความรู้สึกต่อต้านหรือไม่มีอคติซะก่อนใครบางคนแค่ปรากฏตัวก็เหมือนคลื่นรบกวนจิตใจคุณให้ปั่นป่วนเกินกว่าจะมีสมาธิฟังจนจบโดยไม่ฟุ้งร้านิดทางอื่น ขณะที่ใายอีกคนแค่ยืนนิ่งให้คุณเห็นก็เหมือนแผ่พลังสงบสยบความฟุง้งซ่านชวนให้คุณนึกอยากจอใจฟังเขาพูดนานๆแล้วนอกจากนั้นทั้งนำเสียงทั้งจังหวะจะโคนทั้งวิธีเลือกคำล้วนเป็นปัจจัยปรุงแต่งจิตของคุณให้เกิดความพร้อมรับหรือพร้อมปฏิเสธ พร้อมจะเข้าใจกระจ่างหรือสับสนเมื่อเริ่มเห็นภาพรวมว่าเหตุใดคนสองคนพูดเหมือนกันแต่ใจคุณรู้สึกแตกต่างได้เป็นคนละเรื่องคุณก็จะเริ่มมองย้อนมาเข้าใจได้เช่นกันว่าเหตุใดคุณพูดบางวันคนฟังบางวันคนไม่ฟังบางคำคนอื่นพูดเล่ารุ่งแต่คุณพูดกลับรวง ทั้งหลายทั้งปวงก็เพราะการสื่อสารนั้นไม่ได้เริ่มที่คำพูดแต่เริ่มจากตัวคนพูดนับจากความพร้อมทางจิตเป็นอันดับแรกถ้าคุณกำลังอยู่ในอารมณ์เย็นเย็นหนักแน่นพลังการสื่อสารจะขมชัดไร้คลื่นรบกวนแต่ถ้าคุณกำลังอยู่ในอารมณ์ร้อนๆ้อนเร่งรัดพลังการสื่อสารจะพรามัว เต็มไปด้วยคลื่นรบกวนเมื่อทำไว้ในใจว่าคนเรารับแรงสะเทือนทางหูตาตลอดจนกระแสทางใจได้มากกว่าคำพูดคุณจะอยากรู้ตัวมากขึ้นว่าขณะต้องพูดนั้นกำลังพร้อมจะพูดหรือสมควรปรับจิตปรับใจให้ดีเสียก่อนพูดเมื่อรู้ทั้งสภาพที่พร้อมและไม่พร้อม อันเป็นของภายในนี่ก็เรียกว่าเริ่มรู้สึกถึงจิตได้ด้วยจิตแล้วคุณอาจทำแบบฝึกหัดในการสังเกตการสื่อสารด้วยจิตเช่นเมื่อคุยกับใครตามลำพังสองคนให้ถามตัวเองว่าข้อที่หนึ่งคุณนึกอยากคุยด้วยหรือไม่อยากคุยด้วยหากไม่อยากคุยด้วยให้สันนิฐานว่า ระหว่างจิตคุณกับจิตเขาเป็นคลื่นรบกวนกันอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายที่ส่งคลื่นรบกวนให้จูนกันไม่ติดไม่พร้อมจะสื่อสารกันเต็มร้อยข้อที่สองเมื่อพูดคุยกันสายตาของคุณกับเขาประสานกันได้ตรงๆหรือไม่ หากสามารถประสานกันได้ตรงๆระหว่างพูดคุยและรับฟังได้นานๆแปลว่าจิตแนบเข้าหากันได้และยิ่งถ้ารู้สึกถึงการล็อกติดพอดีเป็นที่สบายก็ให้นับว่าคุณกับเขาคุยกันแล้วได้ช่องสื่อสารชั้นดีแต่หากสบตาตรงกันไม่ได้นานหรือมีความอึดอัดไม่สบายระหว่างพูดคุยก็ให้เข้าใจว่า ช่องการสื่อสารทางจิตยังไม่ปรับตรงเข้าหากันสนิทนักข้อที่สามสังเกตว่าเมื่อพูดคุยนานไปคลื่นรบกวนหรืออาการจุนกันไม่ติดในช่วงต้นปรับประดับลดคลื่นรบกวนและจุนกันได้สบายขึ้นเรื่อยๆหรือไม่ถ้ารู้สึกสบายอึดอัดน้อยลง แปลว่าวิธีพูดวิธีเลือกใช้คำของทั้งสองฝ่ายปรับแต่งจิตให้เข้าสู่ความเป็นกันเองในย่านเดียวกันข้อที่สี่สังเกตว่าหลังจากคุยจบคุณมีความรู้สึกดีๆอยากคุยต่อหรือว่าไม่อยากคุยกับคนนี้อีกเลยและสังเกตด้วยว่านานไปเมื่อคิดถึงบทสนทนาคุณนึกชอบหรือนึกชังเป็นหลัก หากรู้สึกดีๆนึกชอบใจก็หมายความว่าจิตของคุณเชื่อมกับเขาหรือเธอในทางดีซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงกันกับความรู้สึกของฝ่ายนั้นก็ได้ข้อที่ห้าสังเกตว่าถ้าพบกันอีกทั้งคุณและอีกฝ่ายมีความร่าเริงรู้สึกต่อติดง่ายพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองทันที แปลว่าขั้วจิตของทั้งคุณและฝ่ายนั้นเชื่อมกันในทางที่เป็นมิตรซึ่งจะเป็นมิตรจริงหรือมิตรปลอมอันนี้ดูจากแค่การพูดคุยครั้งสองครั้งไม่ได้ลึกลงไปยังมีสิ่งลึกลับอันได้แก่ความคิดที่สลับซับซ้อนแบบมนุษย์ซ่อนอยู่จะเห็นกันจริงก็เมื่อพูดคุยกันไปนานๆผ่านบทสนทนาหลายข้อหลายแงยม่มุม ทั้งที่ห่างไกลและทั้งที่กระทบตนกระทบท่านหรือมีกิจกรรมร่วมกันพิสูจน์ท่าแท้ของแต่ละคนมาช่วยให้รู้จักกันและกันจริงเมื่อเริ่มรู้สึกถึงความเป็นจิตเขาจิตเราคุณจะไม่มองว่านั่นเป็นแค่พลังจากคลื่นไฟฟ้าในสมองแต่เป็นธรรมชาติอีกชนิดที่ให้ความรู้สึกสว่างเป็นกุศลได้ หรือให้ความรู้สึกมืดเป็นอักูโซนได้และนี่ก็คือตัวอย่างง่ายๆที่คุณพบจิตได้ในชีวิตประจำวันรู้ทางเห็นชัดมองหน้าใครบางคนเราเห็นไม่ชัดขณะที่มองหน้าใครอีกคนกลับเห็นคมชัดถนัดตาไม่ใช่อุปาทาน ไม่ใช่อคติไม่ใช่รู้สึกไปเองแต่เป็นประสบการณ์ทางจิตที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจาวันทุกวันแม้คนคนเดียวกันต่างวันก็ต่างไปถ้าคุณเจอเขาตอนที่เขาแจ่มใสหน้าตาก็อาจดูแจ่มชัดปลอดโปร่งไร้สิ่งกั้นขวางระหว่างตาคุณกับใบหน้าของเขาแต่ถ้าเจอตอนเขากำลังหมุนมัวหัวทึบ ย, ยุ่ยงเหยิงอนลามาจัด ก, การทำงานหนักตลอดวันที่ผ่านมาหน้าตาก็อาจดูพร่ามัวเหมือนเจอพายุบางหน้าต้องออกแรงเพ่งตาฝาเข้าไปถึงจะเห็นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะคลื่นสมองคลื่นจิตคลื่นอารมณ์ของคนคนหนึ่งมีผลกระทบกับคลื่นสมองคลื่นจิตคลื่นอารมณ์คนอื่นได้ คลื่นมีความเข้มข้นพอในทางบวกอาจปฏิรูปตัวเป็นแรงดึงดูดใจให้อยากจดจ้องนานๆหรืออาจปฏิรูปตัวเป็นพลังความสงบเหนียวนำให้รู้สึกสงบตามแต่ในทางลบอาจก่อตัวหนาแน่นเป็นคลื่นรบกวนสายตาได้หรือกระทั่งอาจปั่นป่วนก่อแรงผลักให้อยากเมินหนีได้ อธิบายตามกลไกธรรมชาติของจิตได้ไง่ายๆคือเมื่อสิ่งใดกระทบตาสิ่งนั้นก็กระทบจิตเพราะการรู้เห็นทางตานั่นเองคือจิตซึ่งถ้าก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์มีอารมณ์ทึมทึกก็เหมือนเกิดมา่านหมอกห่อหุ้มใจปล่อยทำให้สติในการรับรู้ทางตาลดลงแต่ถ้าสิ่งใด กระทบตากระทบจิตแล้วก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขมีอารมณ์แจ่มใสก็เหมือนเกิดความโปร่งว่างเกลี่ยเศษฝุน่นเศษผงในจิตของผู้เห็นออกไปปล่อยทำให้สติในการรับรู้ทางตาเพิ่มขึ้นคลื่นความคิดปั่นป่วนสับสนวกวนจากต้นชนปลายไม่ติดเกิดจากการปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน ยิ่งใครเข้าใกล้นานขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งปล่อยฟุงซ่านตามไปด้วยเท่านั้นคลื่นความร้อนกระสับกระส่ายทุรนทุรายเกิดจากความเป็นคนเจ้าโทสะยิ่งใครเข้าใกล้นานขึ้นเท่าไรก็ยิ่งเหมือนโกรธง่ายหายช้าหมุดหงิดตามไปด้วยเท่านั้นอย่าแปลกใจว่าแค่ฟุงซ่านมือลอยคิดเรื่อยเปื่อยไร้เป้าหมาย อยากคล้ามเพอเจอร์ตามใจชอบซึ่งดูเผลๆเหมือนไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะไรแต่แท้คือเป็นความผิดชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะใหญ่กว่าที่คุณคิดเพราะโทษฐานที่ฟุ้งซ่านจัดอาจถึงขั้นไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แม้แต่คนประเภทเดียวกันเพราะคนฟุ้งซ่านจัดต่างก็พยายามวิ่งวุ่นหาสติสตัง หาทางระ ง, งับความฟุ้งซ่านของตนเองโดยการไปอยู่ใกล้ใครสักคนที่สงบ ก, กว่าตัวเองไม่ใช่ฟุ้งเท่ากันหรือมากกว่าตนเองกันทั้งนั้น